ความสนุกในการเรียนกับความสุขในการศึกษาคราวนี้หันมามองทางด้านการศึกษาในการศึกษานั้นต้องให้เกิดฉันทะให้ได้ถ้าฉันทะไม่เกิดการเรียนก็จะไม่มีความสุขจริงอย่างดีก็จะได้แค่สนุกคือได้แค่ความสุขของนักเสพ เหมือนดูหนังดูละครถ้าเกิดฉันทะขึ้นแล้วกระบวนการเรียนจะสนุกสนานหรือไม่ก็เป็นเรื่องย่อยไม่ค่อยสำคัญความสนุกก็เพียงมาช่วยเสริมให้เด็กได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสนใจและเป็นอุปกรณ์เครื่องประกอบที่ช่วยสื่อให้เข้าใจสาระได้ง่ายแต่ความสนุกนั้นไม่ใช่เนื้อตัวของการศึกษา ยังไม่เข้าไปในกระบวนการของการศึกษาแท้จริงพูดโยงกับหลักที่พูดมาแล้วก็คือเป็นเพียงเงื่อนไขซึ่งจะต้องรู้จักใช้ในการที่จะหนุนฉันทะเพื่อเข้าสู่การศึกษาให้ได้จริงการศึกษาเริ่มที่ฉันทะเด็กต้องมีฉันทะขึ้นมาในตัวของเขาความสนุกจะมีประโยชน์ก็เมื่อมาใช้กระตุ้นให้เกิดฉันทะได้สาเร็จ ถ้าได้แค่สนุกแต่ฉันทะไม่มาก็ต้องพึ่งพาความสนุกอยู่นั่นและต้องเพิ่มความสนุกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครูก็เหนื่อยเพราะต้องกระตุ้นกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องหาทางแปลกใหม่ให้สนุกได้ต่อไปอีกจะมาสอนทีหนึ่งก็ไปนั่งคิดว่าทำอย่างไรจะให้เด็กสนุกยุ่งจนเหนื่อยกับการหาวิธีให้เด็กสนุกการสอนสนุก เป็นความเก่งที่น่าชื่นชมแต่ต้องเชื่อมต่อไปถึงฉันทะให้ได้ดังนั้นจึงต้องระวังต้องแยกได้มิให้ความสนุกนั้นเป็นแค่การได้สนองความต้องการในการเสพอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าเหมือนดูหนังดูละครถ้าอย่างนี้ครูหรือผู้สอนก็จะเป็นเหมือนนักแสดงและความสุขจากการได้เสพแล้วสนุกก็คือ อยู่ในขั้นของการสนองตัญหานั่นเองทีนี้ถ้าสนุกจากการได้เสพทางตาหูเพื่อสนองตัญหาก็จะพบปัญหาอันจะต้องเตรียมกันเตรียมแก้ปัญหาพื้นฐานคือความติดเสพการติดอยู่แค่ขั้นเสพและความชินชาเบื่อหน่ายที่ทำให้ต้องกระตุ้นมากขึ้นแรงขึ้นทั้งโดยปริมาณและดีกรี เรียนหรือดูการสอนคราวนี้สนุกมากแต่คราวต่อไปถ้าสอนอย่างนั้นอีกอย่างนั้นอีกก็ชักชินแล้วก็ชักจะเบื่อคราวหน้าจึงต้องหาทางให้สนุกมากขึ้นหรือเปลี่ยนแง่มุมใหม่เพิ่มดีกรีของการกระตุ้นในการสนองตันหายิ่งขึ้นไปทีนี้ก็สนองกันต้องไม่หยุดและก็หยุดไม่ได้คุณครูก็เหนื่อยจนชักจะหมดแรง และในที่สุดนักเรียนก็หมดเหมือนกันคือวนอยู่แค่นั้นว่ายเวียนอยู่กับตัญหาไม่ไปไหนเพราะตันไม่มีทางไปที่ว่าติดเสพก็คือเหมือนติดดูหนังดูละครหรือแม้แต่ติดความสนุกจะเอาแต่สนุกหาความสนุกที่ว่ามาเรียนนั้นไม่ใช่ติดใจอยากเรียนแต่ติดใจจะมาดูการแสดงอีก ไม่ได้มีจิตใจที่จะเรียนที่จะหาความรู้ที่จะค้นจะคว้าถ้าให้ไปค้นคว้าเองไม่เอาได้แต่รอมาเฝ้าดูการแสดงถ้าอย่างนี้ก็ยิ่งเพิ่มแรงให้แก่กระแสตันหาที่ว่าติดอยู่แค่ขั้นเสพก็หมายความว่าถ้าทำไม่ถูกจิตใจของผู้เรียนก็ไม่ไปสู่การเรียนรู้ก็ติดก็ข้องอยู่แค่การเสพความสนุก เพลินอยู่กับภาพและเสียงและเรื่องราวที่สนุกสนานเท่านั้นไม่เชื่อมไม่ต่อไม่ก้าวไปสู่การเรียนรู้สาระที่ต้องการเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่เกิดมีชันทะขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะต้องระวังที่จะมองความหมายของการให้เด็กสนุกในการเรียนนี้ให้ถูกให้ตรงการทำให้สนุกนี้เป็นการกระตุ้นความสนใจเบื้องต้นเรียกว่าเป็นบุพบาก เป็นขั้นของปัจจัยภายนอกก็คือมาทําหน้าที่สื่อนั่นเองจึงไม่ใช่จบที่นั่นเมื่อไม่จบที่นั่นจึงต้องจับความมุ่งหมายให้ได้เป้าหมายในการทําหน้าที่ของปัจจัยภายนอกอยู่ที่การสร้างปัจจัยภายในให้เกิดขึ้นหมายความว่าครูอาจารย์เป็นปรตโตโคสะประตโตโคสะหมายถึงเสียงบอกข้างนอก แต่ครูอาจารย์เป็นปรโตโคลสะที่ดีที่เราจัดเป็นกันลยานามิตรครูอาจารย์หรือกัลยานามิตรนี้ก็มาสื่อสารช่วยกระตุน้นการดูการฟังการคิดโดยมีเป้าหมายที่จะให้เด็กสร้างหรือเกิดปัจจัยภายในของเขาคือให้เขาเกิดมีฉันทะนี่เองขึ้นมาจะได้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนกระบวนการของการศึกษาในชีวิตของเขาต่อไป เพราะฉะนั้นความสำเร็จในการทำหน้าที่ของครูนอกจากการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลแล้วสาระที่แท้ที่เป็นเนื้อตัวของการศึกษาก็คือการทำให้เด็กเกิดมีฉันทะที่เป็นปัจจัยภายในของตัวเขาเองนี้ขึ้นมาได้นั่นเองถ้าครูไม่มีเป้าหมายที่ว่านี้ก็ได้แค่ไปกระตุ้นกันอยู่อย่างนั้นอย่างที่ว่าเมื่อชินชาหนักเข้า ก็เบื่อหน่ายแล้วเมื่อกระตุ้นไม่ไหวหมดแรงไปก็จบกันเท่านั้นครูอาจารย์กัลยาณมิตรหรือปัจจัยภายนอกนี้จึงต้องทำหน้าที่ให้สมฐานะที่เป็นสื่อคือเชื่อมต่อจากปัจจัยภายนอกเข้าสู่ปัจจัยภายในหรือกระตุ้นให้เด็กเกิดมีปัจจัยภายในของเขาเองขึ้นมาให้ได้มิฉนั้น ครูก็จะกลายเป็นผู้ทำให้เด็กเป็นนักพึ่งพาให้เขาติดวนอยู่กับการพึ่งพาถ้าครูรู้งานเข้าใจหน้าที่ของตนจริงเวลาจะสอนก็ทำหน้าที่เป็นสื่อโดยมีเป้าหมายว่าเราจะพูดจาหรือจัดกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจเนื้อหาสาระได้ง่ายและช่วยกระตุ้นให้เขาสนใจอยากเรียนอยากรู้ ไฟรู้ไฝ่ทำหาทางชักนำให้เขาเกิดมีฉันทะขึ้นมารวมความว่าการเรียนให้สนุกมีสาระอยู่ที่เป็นปฏิบัติการของปัจจัยภายนอกในการช่วยการเรียนให้ง่ายและกระตุ้นความสนใจโดยมีจุดหมายที่จะสื่อนำให้เกิดปัจจัยภายในคือฉันทะขึ้นมาถ้าเขาเกิดมีฉันทะขึ้นมาได้จริงแล้วก็ คราวนี้เขาจะเดินหน้าไปได้เองเลยทีนี้ไม่ต้องรอครูแล้วแม้แต่ว่าครูไม่มาฉันก็มีเรื่องที่จะทำในการศึกษาหาความรู้ฉันอยากจะค้นให้รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยากไปเข้าห้องสมุดอยากไปหาดูหนังสือแล้วก็คน้นก็อ่านก็ดูด้วยความสุขเพราะได้สนองความอยากรู้นั้นคือได้สนองความอยากหรือความต้องการที่เรียกว่าฉันทะ นี่คือเข้าถูกทางแล้วการศึกษาก็มาของมันเองตามกระบวนการของธรรมชาติเรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าคนเราเกิดมีความอยากที่เป็นกุศลคือจันทะนี้ขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาแล้วมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนวิธีแสวงหาความสุขและความสุขอย่างใหม่จะมีเพิ่มขึ้นมาชนิดที่นึกไม่ถึงทีเดียว แต่ก่อนนั้นเรามีแต่ตัณหาคอยแต่อยากได้อยากเอาอยากเสพเที่ยวพลานหาของชอบหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่พอใจเอามาเสพพอได้เสพก็สมใจมีความสุขมีความสุขจากการเสพสิ่งที่ชอบแต่พอเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่พอใจขัดใจกลายเป็นความทุกข์ แล้วสุขทุกข์ของเราก็เลยขึ้นต่อความชอบใจและไม่ชอบใจที่เป็นไปตามตันหามองเห็นความสุขความทุกข์อยู่แค่นี้แต่พอมีฉันพระขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรคราวนี้ก็มีประสบการณ์ที่ได้รู้จักความอยากอย่างใหม่อยากรู้นั่นรู้นี่มองเห็นอะไรอะไรน่าจัดน่าทาให้ดีและพอได้ค้นหาได้ทาก็มีความสุข และความสุขก็มีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยไม่รู้จบแม้กระทั่งว่าไปเจออะไรที่ไม่น่าชอบใจที่เคยเจอแล้วเป็นทุกข์แต่คราวนี้ไม่อย่างนั้นของที่ไม่ชอบนั่นแหละพอมองเห็นว่ามันมีอะไรน่าศึกษาแม้แต่ว่ามันไม่ดีอย่างไรและทาไมก็อยากรู้ก็เลยกลายเป็นชอบสิ่งที่ไม่ชอบเพราะจะได้ศึกษา จะได้คนหาให้รู้ถึงตอนนี้ก็คือชันทะมาเปลี่ยนให้คนชอบสิ่งที่ไม่ชอบและมีความสุขได้แม้แต่จากสิ่งที่ไม่ชอบก็คือมีความสุขจากการเรียนรู้และจากการลงมือทาของตนนั่นเองขอให้ทราบด้วยว่าชันทะนี้เป็นพวกเดียวกับปัญญาต้องมากับปัญญา ไม่เหมือนตันหาที่มากับอวิชชาไม่ต้องมีปัญญาเลยตันหามาได้เรื่อยแต่ชันทะนี้จะพัฒนาไปได้ด้วยปัญญาชันทะมากับปัญญาอย่างไรเช่นว่าของนี้เรื่องนี้ไม่ถูกใจไม่น่าชอบใจตันหาไม่เอาด้วยแล้วแต่พอมารู้เข้าใจว่าเอออันนี้มีประโยชน์เอามาใช้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ พอปัญญาบอกให้อย่างนี้ฉันทะก็มาประสานมาร่วมด้วยตันหาไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่ฉันทะเอาด้วยคราวนี้ทั้งอยากรู้และอยากทำก็เข้ามาแล้วความสุขก็ตามมาจากการได้สนองฉันทะนั้นพอฉันทะมาความชอบใจไม่ชอบใจของตันหาก็แทบหมดอิทธิพลไปเลยสิ่งที่เคยไม่ชอบซึ่งทำให้ทุกข์เพราะตันหาไม่เอา แต่พอปัญญาบอกแล้วฉันทะมาอันที่ไม่ชอบนั้นก็กลับทำให้มีความสุขนี่แหละพอมนุษย์เริ่มมีการศึกษาเขาก็สามารถมีความสุขได้แม้กับสิ่งที่ไม่สนองตันหาและพอเข้าทางอย่างนี้แล้วเขาก็จะพัฒนาต่อไปพัฒนาต่อไปโดยที่ความชอบใจและไม่ชอบใจก็จะค่อยๆหมดกําลังที่จะครอบงาลากจูงจิตใจของเขา ความสนใจความคิดความสุขของเขาไหลไปอยู่ที่การรู้การทำจะเห็นว่าคนอย่างไอน์สไตน์ก็เกิดขึ้นมาได้ในแบบนี้ไม่ต้องลึกซึ้งถึงขั้นสร้างไอน์สไตน์หรอกถ้าการศึกษาพัฒนาฉันทะขั้นพื้นๆขึ้นมาได้บ้านเมืองก็จะมีนักผลิตเพิ่มขึ้นมาพอดุลกับนักบริโภครวมทั้งนักรอบริโภคด้วย ที่ไม่คิดทำอะไรนอกจากคิดหาทางสนองตันหาทวนอีกทีว่ากระบวนการดำเนินมาอย่างนี้คือชื่นชมพอใจในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ก็อยากให้มันดีอยากให้มันงามอยากให้มันสมบูรณ์ต่อไปถ้ามันไม่ดีงามสมบูรณ์ก็อยากทำให้มันดีงามสมบูรณ์ก็เลยอยากรู้ว่า จะทำอย่างไรให้มันดีงามสมบูรณ์อย่างนั้นได้หรืออยากรู้ก่อนแล้วอยากทำตามมาก็ได้พอรู้แล้วก็ทำได้สมตามที่อยากทำพอได้ทำสนองตามที่อยากนั้นความสุขก็เดินหน้าเพิ่มมาเรื่อยๆตามความก้าวหน้าของการที่ได้ทำทีนี้อยากรู้กับอยากทำก็เดินหน้าคู่กันไป พร้อมด้วยความสุขก็มีและการศึกษาก็มาเข้ากระบวนใหญ่ไปด้วยกันเป็นอันว่าอยากรู้คู่กับอยากทำแล้วก็นำมาซึ่งการศึกษาพร้อมทั้งความสุขถ้าไม่เกิดสองอยา่างนี้ก็หวังให้มีการศึกษาได้ยากและเด็กก็จะเรียนอย่างไม่มีความสุขกลายเป็นการศึกษาที่ฝืนใจนั่นก็คือ ไม่ใช่การศึกษาที่แท้จริงนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงต้องเน้นจุดนี้คือสร้างฉันทะขึ้นมาให้ได้แล้วการศึกษาก็จะเดินหน้าไปเองเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่ออรุณโนไทยนำหน้าดวงสุริยาก็ตามมาแน่นอนที่ขอย้ำไม่เป็นเรื่องใหญ่อีกอย่างหนึ่งคือฉันทะที่ขยายมาทางด้านสังคม ในการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ที่กระจายออกไปเป็นคุณธรรมเรียกว่าพรมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้ก็โยงกันหมดถ้าจับจุดที่ว่ามันี้ได้แล้วก็พอมองเห็นกระบวนการพัฒนาความสุขว่าจะดําเนินไปอย่างไรตามรูปเขาที่มองเห็นได้พอเราพัฒนาความต้องการได้เราก็พัฒนาความสุขได้ เพราะการพัฒนาความต้องการนั่นเองเป็นการพัฒนาความสุขทีนี้พอเลื่อนจากตัณหามาขึ้นสู่ฉันทะหรือพัฒนาฉันทะให้มากขึ้นได้ความสุขก็จะเพิ่มขยายมิติออกไปอีกการพัฒนาความสุกก็ก้าวลึกสูงกว้างออกไปทุกด้าน